สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ bookery.com ครับเราเสิร์ฟหนังสือที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณครับในกลางดึกของวันที่19บกาันยายนครับที่หัวมุมตึกแห่งหนึ่งในเมืองชิคาโกประเทศสหรัฐอเมริกาครับมีคนครับไปกางเต็นท์กางเปลครับนอนเรียงรายตามหัวมุมรอบๆตึกครับเหตุการณ์นี้ครับไม่ได้เกิดแค่ที่ชิคาโกครับเกิดขึ้นที่ซิดนีย์ด้วยเช่นกันครับ ก็มีคนขับไปกางเต็นท์กลางเปลนอนครับอยู่รอบๆตึกอย่างหนึ่งนะครับที่เมืองเซี่ยงไฮ้ก็เช่นกันครับในเช้าวันนั้นครับก็จะมีคนครับต่อแถวกันเป็นร้ายร้อยคนครับเหมือนจะมารอซื้ออะไรบางอย่างภาพตัดกลับมาที่ชิคาโก้ครับอนตอนสายวันนั้นเองครับตอนนั้นตึกแคนนั้นครับเริ่มเปิดไฟแล้วครับแล้วก็มีคนครับมายืนอต่อแถวกันหน้ารอบๆตึกครับน่าจะเป็นหลักร้อยคนนะครับ ที่ตึกครับมีสัญลักษณ์ที่เราคุ้นเคยกันดีครับเป็นรูป Apple ใช่แล้วครับวันนั้นครับเป็นวันเปิดตัวของ iPhone 6นะครับผู้คนครับมาเฝ้ารอครับอดลับอดนอนครับเพื่อมาซื้อ iPhone 6นะครับดูสีหน้างทุกคนที่ได้เป็นเจ้าของแล้วเนี่ยทุกคนมีรอยยิ้มครับถึงแม้จะหน้าแดงครับตาปรือครับเพราะว่าอดลับอดนอนแล้วก็ต้องตากลมหนาวครับแต่รอยยิ้มครับมีความสุขเหลือเกินครับที่ได้เป็นเจ้าของ iPhone 6 เราคงจะเถียงไม่ได้เลยนะครับว่า i p h o n เนี่ยเป็นโทรศัพท์ที่ประสบความสำเร็จที่สุดแห่งหนึ่งนะครับในบรรดาโทรศัพท์ของเราครับมีการเก็บสถิติครับตั้งแต่ปี2013ครับว่ายอดขายของ iPhone เนี่ยเพิ่มขึ้นถึง 35% ครับทุกๆไตรมาสนะครับและยอดขายครับในปี2015เนี่ย iPhone เองขายไปได้ถึง 74.6 ล้านเครื่องเลยทีเดียวนะครับถ้าเรานับเป็นชั่วโมงนะครับก็คือชั่วโมงหนึ่งขายได้ถึง 34,000 เครื่องเลยทีเดียว ถือว่าประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากนะครับเรามาดูแบรนด์อื่นกันบ้างครับที่ประสบความสําเร็จแบรนด์นี้ครับเป็นแบรนด์ยี่ห้อฮาร์เลย์ดิวิสัครับเป็นมอเตอร์ไซค์สัญชาติอเมริกันครับ Har ์เลย์ดิวิสัครับก่อตั้งในปี1903ครับอายุตอนนี้ก็ร่วมร้อยกว่าปีครับแต่ไม่ใช่แค่ยุ่ากอย่างเดียวนะครับรถมอเตอร์ไซค์สัญชาติอเมริกันนี้มีแฟนคลับเป็นจํานวนมากครับรถ Har ์เลย์ดิวิสัครับเป็นรถในฝันของคนหลายๆคนครับ คนที่ได้ครอบครองครับก็จะมีความสุขและภาคภูมิใจครับบางคนที่มีความภาคภูมิใจมากจนถึงขนาดเอาโลโก้ไปสักตามตัวเลยทีเดียวครับเจ็บแค่ไหนครับก็ยอมครับเพราะว่าเรารักแบรนด์นี้นะครับมาดูอีกแบรนด์หนึ่งครับในวันที่คุณเกิดวิกฤตครับถ้าคุณพบว่าคุณมีลูกค้าเข้ามาช่วยคุณโดยที่คุณไม่ต้องร้องขอคุณคิดว่าคุณจะดีใจแค่ไหนครับและเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นกับ Southwest Airlines ครับ ในช่วงเหตุการณ์ในเอเอเนครับที่เกิดวินาศกรรมครั้งิ่งใหญ่ในประเทศสหรัฐอเมริกาครับผู้คนไม่ขึ้นเครื่องบินกันแล้วนะครับช่วงนั้นสายการบินทุกสายการบินครับเกิดวิกฤตครับแต่มีสายการบินเซเวสแอร์ไลน์เนี่ยครับที่ลูกค้าครับส่งเช็คมาช่วยครับถึงแม้จะเป็นเงินเล็กๆน้อยน้อยนะครับก็ทําให้เซเวสแอร์ไลน์เนี่ยดีใจและมั่นใจคข้าว่าในสิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยถูกต้องแล้วนะครับมีแม้กระทั่งว่าโน้ตเขียนมาครับว่าขอบคุณเซเวสครับว่าที่ตลอด หลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาได้ดูแลเขาเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ลูกค้าเองเนี่ยก็ส่งเช็คมาก็หวังว่าจะเป็นการขอบคุณแล้วก็อยากให้ซอเวสเนี่ยผ่านเหการนี้ไปได้นะครับเหล่านี้ครับคือตัวอย่างของลูกค้าที่มีความจงรักภักดีครับรักแบรนด์นี้มากครับอยากจะช่วยเหลือแบรนด์นี้ในทุกๆด้านคุณเองนะครับวันนี้ธุรกิจของคุณมีลูกค้าที่จงรักภักดีกับแบรนด์ของคุณแล้วหรื อ, อยัง ในวันนี้ครับผมจะมาเล่าครับว่าบริษัทใหญ่ๆผู้นำบริษัทใหญ่ๆเขาทำยังไงครับที่ในการสร้างแบรนด์ครับหรือในการสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนทำตามนะครับอย่างสือเล่มนี้ชื่อ Start With Why ครับแต่งโดยคุณไซมอนไซเน็นะครับในบทแรกครับคุณไซมอนก็กล่าวนำครับเกี่ยวกับว่าโลกที่ไม่มีขึ้นต้นด้วย why เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับ ก็คือโรคที่เป็นโรคที่เหมือนกับอาจารย์ใช้แครอทกับไม้นะครับก็คือมีการหลอกล่อแล้วก็มีการตี่นะครับเพื่อได้ทิศทางที่เราต้องการนะครับคุณไซมอนบอกครับว่ามันมีสองวิธีครับที่เราจะทําสร้างแรงบันดาลใจทําให้คนเน่ยประพฤติตามที่เราต้องการอย่างแรกครับก็คือเราจูงใจครับเราหลอกล่อเขาครับหรือในปภาษาอังกฤษสามกริเรียกว่ามานิเพลตครับเรามา ipulate เขาครับให้เขาทําในสิ่งที่เราต้องการ หรืออย่างที่สองครับเราสร้างแรงบันดาลใจเขาให้เขารู้สึกว่าซาบซึ้งประทับใจและอยากทําตามในสิ่งที่เราทําคุณไซมอนครับกล่าวเปรียบเทียบครับระหว่าง repeat business หรือการที่มีธุรกิจที่มีการซื้อซ้ํากับธุรกิจที่มีความจงรักภักดีว่แตกต่างกันยังไงนะครับเขาบอกครับว่า repeat business ครับหรือธุรกิจที่มีการซื้อซ้ําเนี่ยก็คือก็แค่คนมาซื้อของคุณซ้ําๆซึ่งในการซื้อของคุณซ้ําๆเนี่ย เทคนิคง่ายๆคือคุณใช้เทคนิคของการม ани เพลตหรือสร้างแรงจูงใจหลอกล่อค่อเข้ามาซื้อของอีกแต่ความจงรักภักดีครับอันนี้ไม่ได้สร้างกันง่ายๆครับเพราะว่าอะไรครับความจงรักภักดีคุณจะรู้ว่าลูกค้ามีความจงรักภักดีก็ต่อบเงินลูกค้าครับปริเสตดิวที่ดีกว่าสินค้าที่ดีกว่าสินค้าที่ราคาถูกกว่าเพื่อมาซื้อสินค้าคุณแล้วลูกค้าที่จงรักภักดีเราเน้นครับปกติครับไม่เคยต้องมาเสิร์ชราคาเปรียบเทียบกับสินค้าคุณเลยนะครับ เทคนิคในการม ани โฟเรสหรือหลอกลอ่อลูกค้าให้มาซื้อสินค้าเราเนี่ยมีอยู่หกเทคนิคครับเทคนิคแรกก็คือการตั้งราคาที่ต่ํานะครับอย่างที่สองก็คล้ายๆกับการตั้งราคาแต่เป็นการตั้งโปรโมชั่นครับทาให้เขาสนใจว่าราคาถ้าซื้อลดแรกแจกแถมแล้วสินค้าตัวนี้น่าสนใจอย่างที่สามครับคือการสร้างนอาให้ลูกค้าเกิดความกลัวอย่างที่สี่ครับก็คือเอาของที่เขาอยากได้ที่เขาอยากเป็นมาหลอกลอ่อนะครับ อย่างที่ห้าครับก็คือสร้างแรงกดดันครับในภาษาอังกฤษเรียกว่า peer pressure นะครับ peer pressure นอกจากเป็นแรงกดดันของคนที่อยู่ในระดับเดียวกันแล้วเนะี่ยอาจจะเป็น pressure ที่เกิดจากที่ผู้ที่เป็นเชี่ยวชาญก็ได้อย่างที่หกครับคือ novelty innovation ก็คือสิ่งที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆหรือเป็นสิ่งที่แปลกใหม่นะครับก็คือเราหลอกลอก่อโดยการเราสร้างของแปลกใหม่ๆ ม, มาหลอกล่อผู้บริโภคอยู่เรื่อยๆนะครับเรามาดูตัวอย่าง ของเทคนิคแต่และเทคนิค ก, กันนะครับเทคนิคแรกครับ เ, เทคนิคที่แรกกับเทคนิคที่สเนี่ยผมขออนุญาตเล่ารวบกันเลยคือเรื่องของการตั้งราคาแล้วเรื่องของการตั้งโปรโมชั่นนะครับต้องขออนุญาตยกตัวอย่างของบริษัท GM ครับในสมัยก่อนครับมันจะมีแบรนด์รถอยู่ไม่กี่แบรนด์ครับที่มีประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากนะครับหนึ่งในนั้นก็คือ GM นะครับแต่ GM ครับหลังจากที่ครองตลาดประเทศสหรัฐอเมริกาได้สักพักแล้วเนี่ย ก็พบคู่แข่งรายสำคัญเข้ามาในตลาดครับคู่แข่งรายนั้นมาจากญี่ปุ่นคู่แข่งรายนั้นชื่อโตโยตนะครับเจพบว่าส่วนแบ่งการตลาดของรถ GM เ m หายไปเรื่อยๆสิ่งที่ GM ใช้ในการตอบโต้ของ t ต y o ตาก็คือการสร้างโปรโมชั่นชื่อว่า Rebate ก็คือเมื่อใดที่ลูกค้ามาซื้อรถกับ GM นะครับไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ใดก็ได้ภายใต้ GM เนี่ยเขาจะมีเงินคืนให้นะครับ อาจจะมีสักพันเหรียญหรือเจ็ดพันเหรียญขึ้นอยู่กับรถละรุ่นที่คุณมาซื้อจาก GM ไปนะครับแต่ซึ่งเทคนิคครับเทคนิคนี้ต้องบอกว่าประสบความสำเร็จครับทำให้ยอดขายของ GM คุ้งกลับมาสู้โตโยตาได้นะครับแต่มันมีเอฟเฟกครับมีเอฟเฟกอยู่สองเอฟเฟครับเอฟเฟกแรกก็คือทำให้ผู้บริโภคครับคุ้นเคยครับว่าซื้อของกับ GM เนี่ย มันไม่มีราคาเต็มจริงๆหรอกเพราะว่าราคาเต็มเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องมีส่วนลดจากรีเบลนั่นแหละนั้นคือผู้บริโภคเริ่มเชื่อแล้วครับว่าสิ่งที่เป็นราคาเต็มมันไม่มีอยู่จริงนะครับสําหรับสินค้าของ GM แต่สิ่งที่หนักกว่าครับก็คือฝั่ง GM เองการที่ GM เองเนี่ยมีการลดแลกแจกแถมครับมันมากระทบกับผลกําไรหรือมาจิ้นของตัว GM, GM เองซึ่งทําให้ สุขภาพของบริษัทเองเนี่ยค่อยๆเสื่อมถอยลงไปเรื่อยๆแต่ไม่ไว่าเป็นสุขภาพทางด้านการเงินซึ่งโดนกระทบอย่างแรกนะครับพอโปรฟฟตน้อยครับสวัสดิการพนักงานก็น้อยนวัตรกรรมก็น้อยงั้นทำให้สุขภาพโดยรวมของ GM เองไม่ดีครับจนจนหนึ่งพักหนึ่งครับ GM เองก็ทราบแล้วครับว่าเฮ้ยการที่เราให้ลดแรกจากแทนแบบนี้เยอะเกินไปเนี่ยมันไม่ดีกับบริษัทเองนะปีนั้นเองครับ GM ประกาศกับว่า เดี๋ยวปีถัดไปเนี่ยเราจะลดจำนวนเงินที่ให้รีเบ e สิ่งนี้เกิดขึ้นครับยอดขายที่เอ็มตกนันจะเห็นว่าการใช้ราคาหรือโปรโมชันเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ยั่งยืนครับแล้วก็เป็นการทำลายสุขภาพของบริษัทหรือองค์กรทางตรงเลยทีเดียวแต่เป็นอาจจะเป็นในระยะยาวนะครับโอเคครับเรามาดูเทคนิคที่สองครับที่เราใช้ในการหลอกล่อหรือจูงใจ ทำให้คนทําตามแล้วครับเทคนิคนี้ใช้ง่ายมากครับก็คือการขู่ให้กลัวครับซึ่งพวกเราหลายๆคนอาจจะคุ้นเคยกันดีครับเพราะว่าตอนที่เราเป็นเด็กครับเราอา จ, จะเคยโดนพ่อแม่ขู่หลายๆลยอย่างเช่นออกไปนอกบ้านโดยที่ไม่บอกพ่อแม่อาจจะโดนคนจับตัวไปนะออกไปนู่นไปนี่ไม่อาจจะเจอคนไม่ดีนะเป็นต้นนะครับงั้นก็ทําให้เด็กนะครับที่โตมาเนี่ยก็จะมีความกลัวนะครับแล้วก็จะเชื่อฟังพ่อแม่ได้ง่ายนะครับ อีกกลุ่มหนึ่งครับที่มักจะใช้เทคนิคของการกลัวครับก็คือนักการเมืองครับนักการเมืองเนี่ยครับก็มักจะขู่ให้เรากลัวนู่นกลัวนี่เช่นถ้าคุณไม่เลือกผมครับเดี๋ยวอีกฝ่ายเนี่ยเขาจะขึ้นภาษีเดี๋ยวอีกฝ่ายครับเขาก็จะมีนโยบายที่ทําให้คุณเสียผลประโยชน์เพราะฉะนั้นคุณจะต้องเลือกผมถ้าคุณเลือกผมแล้วคุณจะไม่ต้องกลัวอีกต่อไปนะครับรวไมไปถึงของฝ่ายรัฐบาลเองครับก็จะมีการขอความร่วมมือต่างๆครับ อย่างที่เราเห็นกันก็คือเช่นการขอให้ใส่หน้ากากนะครับการล้างมืออยู่เป็นประจำครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไม่ต้องการติดเชื้อโรคนะครับเป็นต้นครับและนี่คือการใช้เทคนิคของการขู่ให้กลัวนะครับมาดูเทคนิคถัดไปกันครับเทคนิคนี้ชื่อว่าการสร้างความอยากนะบการสร้างความอยากหรือเรียกว่าอ s p i r a t i o n เนี่ยถ้าเราเปรียบเทียบครับก็คือถ้าเรามีเป้าหมายที่เรา อยากให้ไปเนี่ยจริงๆการสร้างความอยากเนี่ยมันจะคล้ายๆกับการสร้างความกลัวแต่ว่าการสร้างความกลัวนี่คือเราขู่ครับให้เราเดินออกจากสิ่งที่เราไม่อยากเป็นในขณะที่การสร้างความอยากก็คือข้อความที่ส่งไปทำให้คุณอยากเดินไปสิ่งที่คุณอยากจะเป็นฉนันจริงๆสองเทคนิคนี้ก็ค่อนข้างที่จะไปคู่กันได้นะครับเรามาดูเทคนิค ก, การสร้างความอยากกันพวกนี้เราเห็นเยอะมากในโฆษณาไม่ว่าจะเป็นโฆษณาของ ขายเอบนทีวีนะครับหรือโฆษณาบนหนังสือเองนะครับเช่นผมจะสอนให้คุณรวยเห็นไหมครับทุกคนอยากรวยอยู่แล้วงั้นเราบอกว่าผมจะสอนให้คุณรวยงั้นเราอยากรวยเราก็เลยต้องซื้อครับหรือเอหกขั้นที่เราจะทําให้เรามีความสุขและประสบความสําเร็จชื่อแบบนี้นะครับก็คือคุณก็จะพบว่าเฮ้ย เ, เราอยากมีความสุขเราอยากมีความสําเร็จงั้นเราก็น่าจะซื้อนะหรือคนที่อยากคุณดีเขาก็บอกว่า คุณสามารถลดขุ่นและมีซิกแพคได้ไปใน6สัปดาห์แบบนี้เป็นต้นนะครับก็จะเป็นการใช้เทคนิคเรียกว่า aspiration หรือการสร้างความอยากขึ้นมานะครับเทคนิคถัดไปครับคือการสร้าง peer pressure หรือการใช้ผู้เชี่ยวชาญครับมาบอกว่าสินค้านู้นสินค้านี้ดีอย่างไรครับในตัวอย่างนี้เป็นสินค้ายี่ห้อ Trident ครับ Trident เนี่ยเขาก็จะมีสโลแกนครับว่า4ใน5ของทันตแพทย์เนี่ย ใช้แนะนําให้ใช้หมากฝรั่งเทรเดนครับเป็นต้นอย่างนี้นะครับงั้นเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยขนาดผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเขายังแนะนําเลยภายในเราไม่ใช้เ้าว่ากันว่าครับเทคนิคการเพียร์เพรสเชิมันเวริร์กว่าจริ ง, รงๆแล้วเนี่ยมีสองอย่างครับอย่างแรกคือเรามักจะคิดว่าผู้เ ช, ชี่ยวชาญหรือคนส่วนใหญ่เนี่ยรู้มากกว่าเราและอย่างที่สองครับเรามักจะกลัวว่าเราผิดงั้นการใช้เทคนิค peer p r e s s u r e ิ่มก็เลยเวริร์กนะครับมาเทคนิคสุดท้ายครับ ก็คือการสร้างสิ่งแปลกใหม่หรือบางทีเราเรียกว่านวัตรกรรมนะครับยกตัวอย่างในที่นี้คือโทรศัพท์ยี่ห้อม o t ต r o l a ลครับตอนนั้นเองในมอเตลเองเดีผลิตโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ชื่อเลเซอร์นะครับซึ่งในสมัยนั้นถือว่าเป็นโทรศัพท์ที่ล้ำสมัยมากครับเพราะว่ารูปแรกออกมาหน้าตาทำจากเหมือนโลหะเหมือนจากเครื่องบินเลยนะเป็นอลูมิเนียมนะครับ แทนที่จะมีเสาครับต้องดึงเสามาตอนนี้ไม่ต้องมีเสาแล้วคือเสาฝังอยู่ในตัวเครื่องเลยนะครับแล้วปุ่มกดก็ดูน่าใช้งานนะครับซึ่งออพอทันทีที่ m o t ต r o l a l a s e เเซอร์นี่ยออกมาครับก็จะมีทั้งดารานักการเบืองครับไปแห่กันซื้อ Motorola l a s e เซรวมแม้กระทั่งว่าตอนนี้ไปขึ้นพรมแดนเนียก็หยิบ m o t o r o l โ Laser เอเนียเอามาถ่ายรูปคู่ด้วยกันเลยนะครับแน่นอนครับพอมีคน ในระดับที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยมาซื้อมอตอร์ o l a เยอะขนาดนี้ครับก็เลยทําให้ยอดขาย ข, ายของมอเตอ o l a เนี่ยขายดิบขดีมากเขายได้ถึงห้าสิบล้านเครื่องนะครับแล้วก็ทําให้สต็อกเนี่ยของมอเตอ o l a เนี่ยสูงเป็นประวัติการเลยทีเดียวนะครับซึ่งตอนนั้นคุณเอซแอนเดอร์ครับก็เป็นซีอีโอของมอเตอ o l a ก็ได้มาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับสินค้าด้วยความภาคภูมิใจครับแต่คุณทราบไหมครับว่าหลังจากนั้นอีกสี่ปีครับคุณเอซแอนเดอร์เองเนี่ยโดน บีบครับให้ออกจากตำแหน่งเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าคู่แข่งครับก็ผลิตมือถือออกมาแข่งกับ m o t o r OLA ทุกฟีเจอร์ที่ m o t ต r OLA l a s ซ r ร์ทำได้คู่แข่งก็ทำได้แล้วบางคนเหนือกว่าด้วยแล้วก็ส่งผลทำให้มูลค่าหุ้นของ m o t o r OLA เนี่ยตกต่ำกว่าเดิมถึง 50% เมื่อเมื่อเทียบเท่ากับตอนที่มี m o t o r OLA Laser ครับฉะนั้นคุณเอส e อนเดอร์เองก็ไม่สามารถอยู่ในตาแหน่งได้ก็เลยโดนบีบออกภายในสปีหลังจากนั้นนะครับ หรือตัวอย่างของเอสิ่งแปลกใหม่ในนวัตกรรมครับเรามาดูกันครับสิ่งที่เราคุ้นเคยเราใช้อยู่เป็นประจำก็คือยาสีฟันนะครับคุณเชื่อไหมครับว่าแต่ก่อนคอเกตต่ตอเริ่มต้นมียาสีฟันแค่สองชนิดครับแต่หลังจากนั้นพอคอเกตเริ่มมีคู่แข่งมากขึ้นนะครับสิ่งที่คอเกตทําก็คือคอเกตผลิตสินค้าใหม่ใม่ออกมามีรสชาติใหม่ๆมออกมาครับในหนังสือเนี่ยเขาบอกว่าคอเกตเนี่ยมี ถึงสามสิบสองรสชาติเลยทีเดียวนะครับคุณคิดว่าคุณจะเลือกถูกไหมล่ะครับว่าคุณเหมาะกับรสชาติไหนและนั่นเองครับตอนนี้เนี่ยแม้กระทั่งคอเกตเองจะต้องมีหน้าครับในการช่วยคุณตัดสินใจว่าคุณควรจะใช้ยาสีฟันตัวไหนดีที่เหมาะกับคุณนะครับแลนะนี่คือตัวอย่างของสิ่งแปลกใหม่หรือนวัตรกรรมนะครับคุณจะเห็นว่าการที่เราใช้ เทคนิคของการมัจจุเปลศหรือการหลอกล่อหรือการสร้างแรงจูงใจเนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นเทคนิคบอกว่าได้ผลได้ผลนะครับไม่ใช่ว่าไม่ได้ผลได้ผลนะครับเ อ, อการใช้การใช้เทคนิคมัจจุเปลศเนี่ยมันทําให้เกิดทรานซัคชันมีการซื้อขายเกิดขึ้นจริงครับแล้วจริงๆแล้วเนี่ยมันเทคนิคแบบนี้ไม่ได้บอกว่าไม่เหมาะกับใครสักคนนะครับเหมาะกับเทคคเหมาะกับบางธุรกิจที่นานๆมีการขายทีนะครับ เช่นเทคนิคของตํารวจครับตั้งรางวัล น, นําจับอย่างนั้นน่ะได้นะครับก็คือมีการล่อจูงใจนะครับแต่ผลกระทบข้างเคียงครับของการใช้เทคนิคเหล่านี้เนี่ยก็จะเห็นว่าคนแรกที่กระทบเลยคือผู้บริโภคหรือลูกค้านั่นเองเพราะว่าอะไรครับเวลาสมมุติถ้าเราบอกเอร า, าคาเป็นที่ตั้งเนี่ยพอทุกคนตั้งราคาตามๆหมดเลยเนี่ยเราเริ่มจะไม่มั่นใจแล้วใครต่ำที่สุดกันแน่นะครับ หรือถ้ามีฟีเจอร์อะไรมาเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยเราเลือกไม่มัน่นใจแล้วครับว่าโทรศัพท์เครื่องนี้หรือเครื่องไหนอันไหนฟีเจอร์เด่นกันแน่คนที่ใช้โลจิกเหล่านี้ในการซื้อของเนี่ยก็จะปวดหัวครับว่าเฮ้ยเราพลาดหรือเปล่าเรากลัวพลาดจังเลยนะครับนั่นคือสร้างความเครียดนะครับให้กับผู้บริโภคถัดมาครับความเครียดนี้ไม่ได้เกิดแค่ผู้บริโภคนะครับความเครียดนี้เกิดขึ้นกับผู้ประกอบการหรือ เ, เจ้าของธุรกิจด้วย เพราะว่าอะไรครับอย่างแรกครับการการใช้ชักการทำเทคนิคชักดูงนะครับมันหรือม a n i p u l a t i o n เนี่ยมันใช้เงินครับมันใช้เงินมากเช่นถ้าคุณให้สูตลดคุณก็ทำให้มาจินคุณลดลงครับหรือถ้าคุณต้องมีการผลิตภัณฑ์ใหม่ๆอยู่เรื่อยๆคุณก็ต้องทำาอดีคุณก็ต้องใช้เงินอยู่เรื่อยๆนะครับงั้นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพอใช้เทคนิคน manipulation แล้วเนี่ยทำให้บริษัทเนี่ยขาดกระแสเงินสดหรือทาให้สุขภาพของบริษัท น้อยลงเอ่อแย่ลงเรื่อยเื่ยแย่ลงเรื่อยๆยนะครับแต่สิ่งที่มันแย่กว่านั้นและสร้างความเครียดให้กับพู้อระกอบการมา่กว่ากันกนันก่นก็คือถ้าทุกคนใช้เทคนิคเช่นเรื่องราคาเป็นเรื่องปกติของวงการนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือต่างคนต่างแย่งลดราคาต่างคนต่างแย่งลดราคาคุณเองงานของคุณเองจะยากขึ้นทุกๆวันยากขึ้นทุกๆวันวันนี้คุณลดได้ห้าบาทพรุ่งนี้คุณจะต้องลดให้ได้สิบาทเพราะคู่แข่งคุณลดสิบาทไปแล้ว นั้นจะเห็นว่าผู้ประกอบการก็จะล้องเครียดมากว่าทำยังไงที่คุณจะดึงลูกค้ากลับมาหาคุณได้และที่แย่ที่สุดครับการใช้เทคนิคม a n i p u l a t i o n หรือการส ร, าสร้างแรงจูงใจแบบนี้เนี่ยไม่ได้ทำให้ลูกค้าเกิดความจงรักภักดีเลยยกตัวอย่างเช่นซื้อสินค้าถูกที่สุดครับถ้าวันนี้คุณไปที่ช h อป e e ้คุณเจอ20ร้านค้าสิ่งที่คุณเลือกก็คือราคาถูกที่สุดเพราะมันก็คือสินค้าแบรนด์เดียวกันจะร้านร้านไหนก็เหมือนกัน สินค้าตัวเดียวกันงั้นคือเลือกร้านที่ถูกที่สุดไม่มีความจงรักภักดีกับร้านค้าเลยนะครับคุณไซมอนกล่าวไว้ว่าครับถ้าเทคนิคการใช้ม a n i ิ u l ล t i ช n นหรือการชักจูงให้มาซื้อสินค้าเนี่ยเป็นบรรทัดฐานของตลาดเรื่องไหนแล้วเนี่ยไม่มีใครชนะทุกคนแพ้หมดโอเคครับแล้ววันนี้ผมก็จบ ของบทที่1ของส่วนที่1แล้วนะครับเรื่องของในโลกที่ไม่มี y นะครับเรามาสรุปกันดีกว่าครับว่าวันนี้เราได้เรียนรู้อะไรกันบ้างนะครับอย่างแรกครับก็คือมันมี2วิธีครับในการจูงใจทําให้คนทําตามเราก็คืออย่างแรกคือการใช้เลิกการใช้ Manipulation ก็คือการหลอกล่อการสร้างแรงจูงใจนะครับหรือการใช้ Inspiration หรือการสร้างแรงบันดาลใจนะครับในการใช้เทคนิค manipulation การหลอกล่อนะครับ มีอยู่หกเทคนิคใหญ่ๆก็คืออย่างที่หนึ่งคือเรื่องราคาอย่างที่สองคือการสร้างโปรโมชั่นอย่างที่สามคือการขู่ให้กลัวอย่างที่สี่คือทําให้อยากได้อย่างที่ห้าคือการใช้แรงกดดันจากผู้เชี่ยวชาญหรือคนที่เป็นอยู่ระดับเดียวกันอย่างที่หกคือการที่มีสิ่งแปลกใหม่หรือมีนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาอยู่เรื่อยๆถัดมาครับเราได้เรียนรู้ครับว่าการใช้เทคนิคม o d u l a t i o n เนี่ยเป็นเทคนิคที่ยอดเยี่ยมครับที่ทําให้เกิด ยอดขายแต่เทคนิคนี้ไม่ได้สร้างลูกค้าที่จงรักผู้ดีต่อเลยเลยนะครับแล้วเทคนิค Manipulation เองสร้างความเครียดให้กับลูกค้านะเพราะว่าลูกค้าเองก็ไม่มั่นใจครับว่าสินค้าไหนดีที่สุดขณะเดียวกันเทคนิค Manipulation เองก็สร้างความเครียดให้กับผู้ขายเช่นกันเพราะว่าเทคนิคของการสร้างแรงบูรจงใจหลอกล่อเหล่านี้ครับจะต้องใช้เงินในจํานวนมากครับแล้วเงินจํานวนมากเหล่านี้ก็ทําให้ ผลกำไรหรืออัตรากำไรเราลดลงลดลงพออัตรอัตรากำไรเราลดลงครับกระแสเงินสดเราลดลงหรือเงินในอนาคตเราลดลงก็ทําให้สุขภาพโดยรวมของบริษัทลดลงด้วยก็เลยเป็นที่สรุปว่าเมื่อเราใช้เทคนิคมัลติเพลเยชัเป็นบรรทัดฐานของตลาดเมื่อไหร่ก็ไม่มีใครชนะไม่ว่าจะเป็นคนขายหรือคนซื้อคําถามที่ผมจะฝากคุณไว้วันนี้ครับวันนี้ครับคุณคิดว่าคุณมีลูกค้าที่จงรักภักดีแล้วหรือยัง คำถามที่สองผมอยากจะฝากไว้ครับก็คือวันนี้ครับคุณคิดว่าคุณได้ใช้เทคนิคในการมัลติบูลเลชั่นต่างๆอะไรไหมบ้างไหมแล้วคุณคิดว่าอันไหนที่คุณใช้แล้วมันเวิร์กแล้วคุณคิดคุณเห็นด้วยไหมว่าสิ่งที่คุณใช้อยู่ตอนนี้มันยากขึ้นยากขึ้นทุกๆุกวันโอเคนะครับแล้วเดี๋ยวในเอพิโซดหน้าครับผมจะมาสอนเทคนิคว่าเราจะใช้อินสปเรชันหรือการสร้างแรงมันดานใจอย่างไร ในการจูงใจให้ลูกค้ามาอยู่กับเรานะครับก็ขอบคุณนะครับเีสอร์สเหล่านี้ครับที่ช่วยทําให้ผมสามารถสร้างสไลด์เหล่านี้มาอย่างสวยงามครับแล้วก็ถ้าคุณคิดว่าหนังสือ starvidy ครับเป็นหนังสือที่สร้างแรงบรรดาใจใคุณแล้วนะครับหรือว่าคลิปนี้เเป็นคลิปที่สร้างแรงบัรดาใจให้กับคุณแล้วนะครับแล้วคุณคิดว่าคุณอยากจะส่งต่อให้คนอื่นครับอย่าลืม forward link แล้วก็ หรือว่าแนะนำหนังสือนี้ Starbitwise ให้กับเพื่อนคุณด้วยนะครับสวัสดีครับแล้วเจอกันที่เอพโโิโซดหน้าครับ